ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเราควรจะให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มากการจะทำอะไรก็ดีใน1วัน1คืนนั้นเราควรจะมีความใส่ใจเอาจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่เราทำนั้นๆมันจะทำให้เกิดสติเกิดสมาธิ ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตการที่เรามีความใส่ใจมีจิตใจที่จดจอ่อมีสติมีสมาธิกับสิ่งที่เราทำเฉพาะหน้านั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจิตใจเราจะมีปิติสุขในขณะปัจจุบัน เพราะนั้นการมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าไม่ยึดติดกับปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่นั้นนะมันหายไปจากใจได้อันนี้เลยว่าการอยู่การมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งคืนหนึ่ง อย่างมีคุณค่า